ต่อไปอธิบายคําว่าไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้เนี่ยนะก็วาจามุ่งจะเอาเป็นยังไงก็คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กล่าววาจามุ่งจะได้จีวรมุ่งจะเอาจีวรมุ่งจะเอาบิณฑบาตมุ่งจะเอาเสนาสนะมุ่งเอาคีลานปัจจัยเภสัชบริขารวาจานี้เรียกว่าวาจามุ่งได้หรือมุ่งเอาอันนะอีกอย่างหนึ่งภิกษุพูดจริงบ้างพูดเท็จบ้างพูดสอเสียดบ้างพูดไม่สอเสียดบ้างพูดอยาบ้างไม่ยาบ้างเพ้อเจอบ้างไม่เพ้อเจอบ้าง พูดด้วยปัญญาบ้างเพราะเหตุแห่งจีวรบินทบาตเสนาสนะขีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเรียกว่าพูดมุ่งได้หรือพูดมุ่งจะเอาอ่ะคิดว่าใช้อุบายประการต่างๆนานๆเนี่ยนะเพื่อจะเอาอ่ะเอาปัจจัยสีเนี่ยอันหนึ่งภิกษุมีจิตเลื่อมใสแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นด้วยคิดว่าโอ้หนอขอชนทั้งหลายฟึงฟงฟ่งฟังธรรมของเรา ครั้นฟังแล้วก็พึงเลื่อมสายครั้นเลื่อมสายแล้วก็พึงทำอาการของคนผู้เลื่อมสายต่อเรานี่ก็เรียกว่าวาจามุ่งได้ก็เรียกว่าผูดจะเอาเหมือนกันนะนะแสดงธรรมเพื่อให้เขาเลื่อมสายตัวท่านะอย่างสมัยนี้ก็มีเยอะนะบาดหักเขาเรียกว่ากรดหักบ้างบาดแตกบ้างจะเดินทางบ้างก็เที่ยวขอเข้าไปเรื่อยนั่นแหละลักษณะนะี้เรียกว่าคำพูดมุ่งจะได้ คำว่าไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ความว่าภิกษุไม่พึงกล่าวไม่พึงบอกไม่พึงพูดไม่พึงแสดงไม่พึงแถลงวาจามุ่งได้ตลอดถึงวาจาแสดงธรรมะเป็นที่สุดเนี่ยนะแม้กระทั่งแสดงธรรมะก็จะแสดงมุ่งจะเอาแบบนี้ว่างันเพราะนั้นพึงละพึงบรรเทาทําให้สิ้นตายให้ถึงความไม่มีซึ่งวาจามุ่งได้พึงเป็นผู้งดเว้นเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับวาจามุ่งได้ พึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ชื่อว่าความขนองความว่าไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองเนี่ยนะก็ความขนองก็สามอย่างนะขนองกายขนองวาจาและขนองใจความขนองกายเนี่ยเป็นไนพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในสงฆ์คณะโรงชันเรือนไฟท่าน้า กำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านไปสู่ละแวกบ้านก็แสดงความขนองทางกายภิกษุอยู่ในถ้ำกลางสง์เนี่ยนะแสดงกายอย่างไรพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในสงไม่ทําความยําเกรงยืนเบียดภิกษุผู้เป็นเถระบ้างนั่งเบียดภิกษุที่เป็นเถระบ้างยืนบังหน้าบ้างนั่งบังหน้าบ้างนั่งบนอาสนะสูงบ้างนั่งคลุมศีรษะยืนไม่ก้มพูดบ้างแกว่งแขนพูดบ้าง อยู่ในสงแสแดงความขนองทางกายอย่างนี้ น, นะก็จริงนะภิกษุบางรูปในถ้ำกลางสงสงประชุมกันเป็นต้นเนี่ยนะก็ปัญหาน้อยกับเพื่อนก็ทําตัวแบบนี้ก็มีภิกษุอยู่ในคณะเนี่ยนะแสดงความขนองกายอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในคณะตั้งแต่สองรูปขึ้นไปเ่ยนะไม่ทําความยําเกรงเมื่อภิกษุที่เป็นเถระไม่สวมรองเท้าเดินอยู่ก็สวมรองเท้าเดินไป เมื่อพิสูุนที่เป็นเทระเดินอยู่ในที่จงกรมต่ำก็เดินอยู่ในที่จงกรมสูงเมื่อพิสูจที่เป็นเทระเดินอยู่บนแผ่นดินก็เดินอยู่ในที่จงกรมยืนเบียดนั่งเบียดเดินยืนบังหน้านั่งบังหน้านั่งบนอาสนะสูงนั่งคลุมศีรษะตนยืนตัวแข็งพูดแกว่งแขนพูดพิสูจอยู่ในคณะแสดงความขนองกายอย่างนี้ พิกษุอยู่ในโรงฉันแสดงความขนองทางกายอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ในโรงฉันไม่ทําความยําเกรงนั่งแทกแซงพวกพิสูจนที่เป็นเถระบ้างนั่งกีดกันภิกษุที่เป็นนวกะยืนเบียดนั่งเบีย ด, ย, ดยืนบังหน้านั่งบังหน้านั่งบนอาสนะสูงนั่งคลุมศีษะยืนตัวแข็งพูดแกว่งแขนพูดอย่างนี้เรียกว่าแสดงความขนองทางกายส่วนพิกษุ ที่อยู่ในเรือนไฟแสดงความขนองทางกายเนี่ยเป็นอย่างไรพิกูจนในธรรมวินัยนี้บางรูปะนะเนี่ยอยู่ในเรือนไฟไม่ทําความยําเกรงยืนเบียดพิสูจที่เป็นเทระนั่งเบียดพิสูจนที่เป็นเทระยืนบังหน้านั่งบังหน้านั่งบนอาสนะสูงไม่บอกก่อนแล้วก็สายฟืนไม่บอกก่อนแล้วก็ปิดประตูพิสูจอยู่ในเรือนไฟแสดงความขนองทางกายอย่างนี้ ส่วนภิกษุที่อยู่ที่ท่าน้ําแสดงความขนองทางกายอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้อยู่ที่ท่าน้ําไม่ทำยำไม่ทําความยําเกรงลงเบียดภิกษุที่เป็นเถระบ้างลงข้างหน้ายืบอาบเบียดอาบข้างหน้าอาบข้างเนื่นอาบข้างเหนือน้ําขึ้นเบียดนะขึ้นเบียดข้างหน้าขึ้นข้างเหนือน้ําภิกษุนี้เรียกว่าแสดงความขนองทางกายที่ท่าน้ําอย่างนี้ ส่วนพิสู <book> ment, yes ุกําลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านแสดงความขนองทางกายอย่างไรคือพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้กําลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านไม่ทํำยำความยําเกรงเดินเบียดพิสูจที่เป็นเทระยืนข้างหน้าเดินข้างหน้าพิสูจนที่เป็นเทระกําลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านแสดงความขนองทางกายอย่างนี้ส่วนเข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความขนองทางกายนั้นเป็นอย่างไรภิสูุบางรูปในธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้ว เมื่อเขาไม่บอกว่าเข้าไปเถิดพระคุณเจ้าก็เข้าไปเมื่อเขาไม่บอกว่ายืนอยู่เถิดพระคุณเจ้าก็ยืนเมื่อเขาไม่บอกว่านั่งเถิดพระคุณเจ้าก็นั่งเข้าไปสู่ที่เป็นที่โอกาสไม่ควรเข้าไปในบ้านเขาอะนะยืนอยู่ในที่โอกาสไม่ควรนั่งอยู่ในโอกาสไม่ควรทะลันเข้าไปในห้องเล็กห้องลับที่ปิดบังของสกุล อันเป็นที่นั่งอยู่แห่งหญิงของสกุลที่ดาของสกุลสะพายของสกุลกุมารีของสกุลพันภิกษุเข้าไปในละแวกบ้านก็แสดงความขนองกาอย่างนี้ส่วนความขนองวาจาก็แสดงความขนองวาจาในท่ามกลางสงฆ์คณะหรือเข้าในละแวกบ้านถามว่าแสดงความขนองวาจานในท่ามกลางสงฆ์เป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยู่ในสงฆ์ก็ไม่ทําความยําเกรงไม่บอกพวกพิสูจที่เป็นเทระก่อนอันพิสูจที่เป็นเทระไม่เชื้อเชิญก็แสดงธรรมแก่พิสูจทั้งหลายที่อยู่ในอารามแก้ปัญหาเองสวดปาฏิโมกย์เองยืนตัวแข็งพูดแกว่งแขนพูดภิกษุอยู่ในถ้ำกลางสงศ์แสดงความขนองวาจาอย่างนี้ส่วนภิกษุอยู่ในคณะแสดงความขนองวาจาอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อยู่ในคณะไม่แสดงความยำเกรงไม่บอกพวกพิสูจที่เป็นเถระก่อนอันพวกพิสูจที่เป็นเถระไม่เชื้อเชิญก็แสดงธรรมแก่พิสูจนทั้งหลายที่อยู่ในอารามแก้ปัญหาเองยืนตัวแข็งพูดบ้างแกว่งแขนพูดแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายที่อยู่ในอารามแสดงธรรมแก่อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในอารามแก้ปัญหาเองยืนตัวแข็งพูดแกว่งแขนพูดภิกษุอยู่ในคณะแสดงความขนองวาจาอย่างนี้อนะ คือตามระเบียบถ้าอยู่กับพิสูจน์ที่มีพรรษามากกว่าเนี่ยนะก็ต้องขอโอกาสหรื อ, คอเครียกว่าขออนุญาตท่านถ้าท่านอนุญาตให้หรือไม่ท่านก็แสดงเองนะบางทีท่านก็อนุญาตให้บางทีเราก็ต้องขออนุญาตจึงจะเรียกว่าไม่ไม่ขนองทางวาจาแต่ถ้าเราแสดงไปเลยโดยที่ไม่ขออนุญาตเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการขนองวาจา พิสูจเข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วแสดงความคนองวาจาอย่างไรพิสูจนบางรูปในธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้วก็พูดกับสตรีบ้างกุมารีแล้วก็พูดฟุ้งไปว่าดูก่อนหญิงมีชื่อนี้มีโคดนี้เนี่ยนะสิ่งอะไรมีหรือยาคูมีไหมพัดคือข้าวมีไหมของควรเคียวขนมข้าวต้มเป็นต้นเนี่ยมีไหมเราจะดื่มอะไรจะฉันอะไรจะเคี่ยวอะไรสิ่งอะไรมีหรือพวกท่านจะให้อะไรแก่เรา มันพิสูุเข้าไปสู่ระแวกบ้านแสดงความขนองทางวาจาอย่างนี้นะบางรูปก็ไปคุ้นเคยกับโยมมากก็ถึงนี่นแหละเข้าไปทักไปทำคุยแต่เรื่องกินอยู่อย่างนี้แหละส่วนความขนองทางใจเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่ใช่เป็นผู้ออกบวชจากสกุลสูงก็วางจิตเหมือนกับภิสูจที่ออกบวชจากสกุลสูงไม่ใช่เป็นผู้ออกบวชจากสกุลใหญ่ก็มีจิตวางตนเนี่ยนะเหมือนกับพิสูุที่ออกบวชจากสกุลใหญ่ ไม่ใช no ่ greater, เป็นผู้ออกบวชจากสกุลมีโภอสมบัต <ot box startup> ิมากก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกบวชจากสกุลที่มีโภคสมบัติมากไม่ใช่เป็นผู้ออกบวชจากสกุลมีโภอสมบัติยิ่งใหญ่ก็วางจิตเนี่ยนะก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ออกจากออกบวชจากสกุลมีโภอสมบัติยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นผู้ทรงจำพระสูตรก็มีจิตวางตนเหมือนกับภิกษุที่ทรงจาพระสูตร ไม่ใช่เป็นผู้ทรงวินัยไม่ใช่เป็นธรรมกถึกไม่ได้อยู่ป่าเป็นวัดไม่ได้เที่ยวบินธบาตเป็นวัดไม่ใช่ถือไตรจีวนเป็นวัดไม่ใช่เป็นผู้ถือบินธบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดไม่ได้ถือการห้ามพัดในหนหลังเป็นวัดเนี่ยนะไม่ใช่เป็นผู้ถือเนสัศชิกทุดงเป็นวัดไม่ได้อยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดไม่ได้รูปประชานไม่ได้อารูปประชานแต่ก็วางตนเหมือนว่าตัวเองเนี่ยได้รูปประชานได้รูปประชานเป็นต้น เพราะฉะนั้นอย่างเนี้ที่กล่าวไปเรียกว่าขนองทางใจสรุปว่าภิกษุไม่ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองทั้งกายวาจาใจเนี่ยนะว่าภิกษุไม่พึงศึกษาไม่พึงประพฤติเอื้อเฟือไม่พึงประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยดีไม่พึงสมาทานประพฤติซึ่งความเป็นผู้ขนองเพราะนั้นพึงละพึงบรรเทาพึงทําให้สิ้นไปทําให้ไม่มีซึ่งความขนองพึงเป็นผู้งด เว้นเวนเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับความขนองพึงเป็นผู้ปราศจากเดนกิเลตอยู่จึงชื่อว่าไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองต่อไปก็บอกว่าไม่พึงกล่าวคำแก่งแย่งเนี่ยนะคำแก่งแย่งเป็นฉนัก็คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็กล่าวคำแปลงแย่งว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ก็ถกเทียงกันในเรื่องคสอนเนี่ยนะ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนโมกขลานนะเมื่อถ้อยคําแก่งแย่งกันมีอยู่ก็ต้องพูดมากเนี่ยนะถ้าถ้าพูดถ้าคําแก่งแย่งกันกนะก็ต้องพูดมากเมื่อพูดมากก็ต้องมีความฟุง้งซ่านเมื่อฟุง้งซ่านความสํารวมความไม่สํารวมกว็มีเมื่อไม่สํารวมจิตก็ห่างไกลาจากสมาธิเนี่ยนะเพราะการแก่งแย่งกันเนี่ยนะก็ต้องพูดมากฟุง้งซ่านไม่สํารวมใจก็คล้อยเขวใจก็ฟุ้งซ่าน ฉันคำว่าไม่พึงกล่าวถ้อยคําแก่งแย่งความว่าไม่พึงกล่าวพูดแสดงถแงถลงถ้อยคําแก่งแย่งพึงละบันเทาทําทให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งถ้อยคําแก่งแย่งเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้งดเว้นเว้ น, เ, วนเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องกับคําแก่งแย่งพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่นั้นสรุปคาถาที่กล่าวไปว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้พูดโอ้อวดไม่พึงกล่าววาจามุ่งได้ ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองและไม่พึงกล่าวถ้อยคําแก่งแย่งภิกษุพึงเว้นจากความพูดเท็จเมื่อรู้สึกตัวอยู่ไม่พึงทําความโอ้อวดอันหนึ่งภิกษุไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาด้วยศีลและวัดเนี่ยนะก็อย่ามุสาวาศนะแล้วก็อย่าโอ้อวดแล้วก็อย่าดูหมิ่นผู้อื่น นะไม่ว่าตัวเองจะมีปัญญาก็อย่าเอาเรื่องปัญญาดูหมิ่นผู้อื่นด้วยศีลด้วยวัดเป็นต้นก็เหมือนกันคำว่าพึงเว้นจากความพูดเท็จนะความพูดเท็จก็คือมุสาวาตเนี่ยนะบุคคลบางคนในโลกนี้อยู่ในสภาอยู่ในที่ประชุมชนเป็นต้นเนี่ยนะเขาว่าว่าถ้ารู้ยังไงเห็นยังไงก็ให้พูดอย่างนั้นก็หลอกนี่ จริงไม่รู้ก็บอกว่ารู้ไม่เห็นก็บอกว่าเห็นเป็นต้นนั่นแหละเครียกว่ามูสาวาจก็เรียกกล่าวเท็จทั้งที่รู้สึกตัวอยู่บางคนก็มูสาวาจเพราะเหตุแม้กระทั่งอามิตรเล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งมูสาวาจย่อมมีด้วยอาการสามคือเบื้องต้นก็รู้ว่าเราจะพูดเท็จเมื่อกําลังพูดอยู่ก็รู้ว่าเรากําลังพูดเท็จเมื่อพูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้วมูสาวาจมีด้วยอาการสามเรียกว่าก่อนพูดกําลังพูดหลังจากพูดก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยพูดเท็จเนี่ยนะ อันหนึ่งมุสาวาตย่อมมีด้วยอาการสี่ก็คือด้วยอาการห้าด้วยอาการหกเจ็ดแปดก็คือในเบื้องต้นบุคคลก็รู้ว่าเราจักพูดเท็จเมื่อกำลังพูดอยู่ก็รู้ว่าเรากำลังพูดเท็จเมื่อพูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้วปกปิดทิฏฐิปกปิดความควรปกปิดความชอบใจปกปิดสัญญาปกปิดความจริงมุสาวาต่อมีด้วยอาการแปดอย่างนี้ น้ำคำว่าพึงเว้นจากความผู้เท็จความว่าภิกษุพึงเว้นจากความพูดเท็จพึงละบรนเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความพูดเท็จเป็นผู้งดเว้นเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นผู้พูดเท็จพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่างดเว้นจากความพูดเท็จคําว่าเมื่อรู้สึกตัวอยู่ก็ไม่พึงทําความโวยอวดความว่า คำว่าโอ้อวดเนี่ยเป็นไงผู้โอ้อวดก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้อวดอ้างความโอ้อวดกิริยาที่โอ้อวดความเป็นผู้โอ้อวดความเป็นผู้กระด้างกิริยาที่กระด้างความเป็นผู้เหอกิริยาที่เหอที่มีอยู่ในบุคคลนั้นลักษณะนี้เรียกว่าความเป็นผู้โอ้อวดอั้นคําว่าเมื่อรู้สึกตัวไม่พึงทาความโอ้อวดความว่า เมื่อเป็นผู้รู้สึกตัวไม่พึงทำความเป็นผู้โอ้อวดไม่พึงยังความโอ้อวดให้เกิดไม่พึงไม่ให้เกิดพร้อมไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดเฉพาะพึงละบันเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้งดเวน้นเว้นเฉพาะออกสลัดออกพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องความเป็นผู้โอ้อวด พึงเป็นผู้มีจิตปราศจากเดนกิเลสอยู่จึงเชื่อว่าเมื่อรู้สึกตัวไม่พึงทำความโอ้โอวด